หนังสือเรื่องพุทธธรรมฉบับปรับขยายโดยพระพรหมกุณาภรณ์ปออปยุตโตภาคหนึ่งมัชเชนธรรมเทศนาหลักความจริงที่เป็นกลางตามธรรมชาติหรือธรรมที่เป็นกลางตอน 4. ชีวิตควรให้เป็นอย่างไร ท 10. บทสรุปเรื่องเกี่ยวกับนิพพานคุณค่าและลักษณะพิเศษที่เพึงสังเกตเกี่ยวกับนิพพานเรื่องที่ 1. จุดหมายสูงสุดของชีวิตเป็นสิ่งที่อาจบรรลุได้ในชาตินี้นิพพานซึ่งเป็นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาเป็นภาวะที่มนุษย์สามารถประจักษ์แจ้งได้ในชีวิตปัจจุบันนี้เอง เมื่อเพียรพยายามทำตัวให้พร้อมพอก็ไม่ต้องรอถึงชาติหน้าดังมีคุณลักษณะอย่างหนึ่งของนิพพานว่าเป็นสันทิติกังเห็นชัดได้เองประจักษ์ได้ในชีวิตนี้และอาการลิกังไม่จำกัดการไม่ขึ้นต่อเวลาและท่านไดแสดงข้อปฏิบัติต่างๆไว้เพื่อให้บรรลุนิพพานได้ในทิฏธรรมคือในชาตินี้ในปัจจุบันท่านเห็น ทันตาจึงมีพุทธพ์ในอุทุมภริกสูตรทีคณิกายปาติกวกักตรัสยืนยันว่าเราย่อมกล่าวดังนี้ว่าบุรุษผู้เป็นวินยูไม่โอ้อวดไม่มีมารยาเป็นคนตรงจงมาเถิดเราจะสั่งสอนเราจะแสดงธรรมเมื่อเขาปฏิบัติตามคำสั่งสอนก็จะประจักษ์แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ซึ่งประโยชน์ยอดเยี่ยมที่กุลระบทุทั้งหลายผู้ออกจากเรือนโบวถเป็นอนาคาริกโดยชอบต้องการอันเป็นจุดหมายของพรมจันทร์เข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้ทีเดียวโดยใช้เวลา7ปี6ปี5ปีหนึ่งเดือนกึ่งเดือ น, อ น, อน7วันนอกจากนั้นพุทธพจน์เกี่ยวกับสติ ป, ปัฏฐานก็กล่าวถึงการประจักษ์ในทิฏฐธรรมไว้คล้ายกัน